ช่วงนี้ให้โยมสงบใจให้ใจได้พักเพราะวะช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงที่เราได้กายพักผ่อนแต่ช่วงนี้เราเอาใจมาพักผ่อน การสำรวมใจเราน้อมจิตของตนเองพิจารณาเมื่อเราพิจารณาว่าขณะนี้เราสงบใจแต่ส่วนกาย ที่กายเราสงบเราวางมือขวาทับมือซ้ายเท้าวขวาทับเท้าซ้ายแล้วเรานั่งคาดสมาธิไม่ได้เราก็นั่งประเพียบนั่งประเพียบไม่ได้ร่างกายขามันตึงเราก็นั่งเก้าอี้ เพราะส่วนกายเนี่ยสภาวะของรูปกายบางคนก็ร่างกายก็ปกติบางคนไม่ปกติแต่เราน้อมจิตมาพิจารณาอาการที่เรานั่งแล้วก็หลับตาเมื่อหลับตาและเอาจิต พิจารณาดูกายว่าขณะ น, นี้กายเราสงบวางมือวางเท้ามีลักษณะยนันตให้จิตเรามีเครื่องโลว่าขณะนี้กายสงบกายเฉย แต่ส่วนใจส่วนใจเราพลากใจตนเองมาตั้งไว้ที่ปลายโมกอาศัยลมเป็นที่ตั้งของจิตประคองจิตตามลมเข้าประคองจิตตามลมออก หายใจเข้าออโพธหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทนี้เป็นอุบาย เราพลาจิตมาตั้งวัตถิฐานลมเพราะตัวจิตเป็นนามธรรมลมก็เป็นนามธรรมแต่เราให้จิตเราเกิดปัญญาเอาจิตมาตั้งวัตถิฐานลมดูลมเข้าดูลมออกแต่เราต้องประคองจิต ให้มีเครื่องโลขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกเราต้องมีสติสัมปชัญญะสติระลึกโกลระลึกโกรตัวสัมปชัญญะก็เกิดความรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับลมจิตเราไม่อยู่ กระแสจิตเราไม่โยเราสังเกตดูกระแสจิตตนเองพรากจิตมาตั้งหายใจเข้าพอขาดสติจิตแล้วก็ออกหายใจออกขาดสติจิตแล้วก็ออกพอกระแสจิตเนี่ยโทกตัวปรงแต่ง เขาเรียกว่าตัวธรรมอารมณ์อารมณ์ที่ไหลามากระทบใจและใจก็คิดเราสังเ ก, กตดูจิตตนเองพอพเพลสติออกคิดออกไปไหลไปคิดไปนึกไปโคจร อ, อยู่อย่างเนี้ยวันหนึ่งคือหนึ่งก็คิดอยู่างเนี้ย เนเมื่อเราพลาจิตมาตั้งไว้ที่ลมเข้าพราจิตมาตั้งอยู่ที่ลมออกจิตเราไหลออกไปทางไหนก็รู้แล้วกันละให้จิตอยู่กับพุทธโธไวเมื่อกระแสจิตเราฝึกหัดจนจิตเราเกิดปัญญาที่จิตเกิดปัญญา เห็นว่าใจตนเองไม่ยอมหยุดไม่ยอมนิ่งไม่ยอมสงบเกิดจากอะไรเพราะเกิดจากอาติตาอารมอารมณ์เก่าๆก่าอารมณ์ใหม่ใอันนี้ใจเราชอบไหลออกไปคิดไปนึกไป นิจใจเราก็ไปอยู่กับความพงซ่านนิจใจเราสังเกตดูใจเราคิดมากก็พงซ่านเมื่อคิดมากๆพงซ่านก็รบกวนใจอีกหรือบางครั้งจิตเราอยู่ก็ลมเข้าอยู่ก็ลมออกหายใจเข้าโพด หายใจออกโทหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทเมื <c oughs> ่อเราไม่เอาสติตามโลเนี่ย ทำให้จิตเราเริ่มอยู่กับพุทธโธแต่เวลาเราเผ ล, ลอส ต, ติทําให้จิตเราเคลิบอารมณ์เพลินอารมณ์ซึมอารมณ์ง่วงในอารมณ์กระแสสิ่งเหล่านี้ก็ไหลเข้ามากวนใจ ทำให้ใจเราอยู่กับความเพลินความเติมความง่วงอีกอ น, นี้ให้จิตเราโลภตัวสมัญญะคือความรู้สึกกระแสสองอารมณ์เนี่ยเขกากลั้นขวางไม่ให้ใจเราเป็นบุญถ้าใจเราอยู่กับหายใจเข้าโพุหายใจออกโท หายใจเข้าโพธิ์หายใจออกทโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกทโทกระแสจิตอยู่กับพุทธโธก็โลเบาก็โลว่างก็โลนิ่งก็โลละเอียดก็โล ล้วแสจิตหายใจเข้าหายใจออกลึกๆกระโลเครื่องรู้ของจิตก็จะเกิดนี่กระแสอารมณ์บุญเริ่มเกิดขึ้นนี้พอเราขาดสติทำให้อารมณ์นิวรธรรมกั้นขวางเราสังเกตดูใจเรา พอเริ่มสงบจิตก็เพลินง่วงพอเลิกจากง่วงจิตแล้วก็คิดมากปุ่งซ่านไปสองอารมณ์นี้เขายกวนใจตลอดแต่อุบายคำสอนพทธเจ้าให้ตกอยู่ในท้ำกลางคือปัจจุบันให้จิตเราอยู่ปัจจุบันไว้อย่าคิดมากก็โหลแล้วกันล่ะ อันนี้เราอุบายให้จิตเรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์เราคิดทำไมฟุ้งซ่านทำไมขณะนี้เราจะมาทำใจให้เป็นบุญเราสอนใจตนเองเรื่องราวต่างๆเอาไว้ก่อนละก่อน เราเพื่อจะหาอุบายให้ใจอยู่กับพุโทโธไว้ใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งนี่เราสอนใจตนเองหรือบางครั้งพอกระแสจิตพอตัวถินิมิตะเข้าไหลเข้ามาสู่ใจเนี่ยใจตนเองมันหมดอะไรอววรไม่อยากได้ใหญ่ดี อยากอย่าหลับอยากจยนอนอยากจะพักผ่อนนี่กระแสตัวเทนิมิตะมันเป็นอารมณ์ที่ครองใจมนุษย์นีมนุษย์เราก็เป็นธาตุอยู่อย่างเงี้ยเป็นธาตุนิวรเป็นธาตุของกระแสอนุัย กิเลสที่มันนอนเนื่องในจิตใจแล้วก็ตามใจมาตลอดแต่อุบายคำสอนของพระเจ้าให้ทวนกระแสะไว้ให้จิตเราทวนกระแสะกระแสะปุ้งร้านเกิดมากันละกระแสะง่วงเหงาเฮาน อ, นอนเกิดขึ้นมากันละ ละแล้วก็ยกจิตไปอยู่กับพุทธโธหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธหายใจออกโทหายใจเข้าออโพธ หายใจออกทถ้ากระแสจิตเราตั้งอยู่กับลมเข้าจนสุดลมตั้งอยู่กับลมออกจนสุดลมหายใจเข้ามีสติตามโลหายใจออกมีสติตามโลทุกขณะที่ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกนิทถ้าจิตเราอยู่กับพุทธโธอารมณ์นิวรณ์ไม่ไหลเข้ามากระแสจิตก็เป็นเอกขตตาคือเป็นหนึ่งนี้สภาวะอารมณ์ที่ปรากฏจิตแล้วก็มีเครื่องโลกระแสลมนี่มันเบา หายใจเข้าเบาหายใจออกเบาหายใจเข้าหายใจออกกะระแสจิตของตนเองมีความรู้สึกหายใจละเอียดลงหายใจลึกลงหายใจเบาขึ้น ส่วนกายก็เบาส่วนใจก็เบานี้ลักษณะจิตเราที่อยู่กับพุทธโธการแสจิตเราจะมีเครื่องโล่กายก็ชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนหรือบางครั้งกระแสจิตเราอยู่กับพุทธโธ มีความรู้สึกโปร่งใสเบาแล้วก็ว่าง<ม>ล้วก็เอาจิตตนเองตามเราเบาก็รู้ว่าเบา<ม>ว่างก็รู้ว่างให้จิตล้วมีเครื่องหล้ประคองเอาไว้ถ้าเราไม่ประคองจิตมีเครื่องหล้ส ก, กัดกั้นอารมณ์ เดี๋ยวก็แสนนิวรนเขายักไหลเข้ามากวนนี่เราก็ภาวนาสกัดกันให้จิตเราอยู่ในกายให้จิตเราอยู่กับองค์บริกรรมนี่ถ้าอารมณ์ข้างนอกมาไหลเข้ามาทั้งส่วนกายแล้วก็ส่วนจิตจะโปร่งใส เขาเรียกว่าเบากายเบาจิตทำให้จิตเรามีเครื่องรู้กายชัดเจนอารมณ์ก็ชัดเจนนนี้ส่วนกายมีอะไรเกิดเราสังเกตดูส่วนกายนี้มีอะไรเกิดความปวดความเมื่อย ในความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นทั้งทางจิตเราอยู่กับลมหายใจเข้าโพธิ์ลมหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโท น, นี้กระแสจิตเนี่ยท้งท้งที่เราภาวนาอยแต่เวลาความปวดความปวดมันเกิดที่ขาอันนี้จิตเราไปอยู่กับปวดแล้วไม่อยู่กับพุทธโธแล้วปวดขาก็อยู่ที่ขาปวดหลังก็อยู่ที่หลัง ปวดฟันก็อยู่ที่ฟันโปวดตาก็อยู่ที่ตาเพราะความปวด น, นี้มันเป็นตภาวะของเวทนานี่กระแสจิตเรายังนิ่งไม่ได้นานถ้าจิตเรานิ่งหรือกระแสจิตเรามีสมาธิเกิดนั่นแหละเป็นอารมณ์บุญเกิดขึ้น กระแสจิตก็อยู่กับอารมณ์บุญก็จะละเวทนานี่ถ้ากระแสจิตยังไม่นิ่งมากเวลาความปวดเกิดจากสภาวะของกายส่วนใดส่วนหนึ่งนี่กระแสจิตก็ไปเสวยทุกขเวทนานี่พอจิตและไปอยู่กับเวทนามาก น, นี่ทำให้จิตของตนเองเนี่ยยึดเวทนาเป็นอารมณ์เราสังเกตดูใจสิทางทางที่เราลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาความปวดเกิดขึ้นจิตไปยึดขาเราปวดแขนเราปวด ควเราปวดนี่เราต้องดูเหตุผลให้จิตเราเกิดปัญญาว่าความปวดขาของเราเนี่ยมันเป็นส่วนกายหรือส่วนจิตนี้เราเอาจิตสอดส่องเข้าไปเมื่อสอดส่องเข้าไปแล้วเนี่ยว่าปวดที่ขาเอาจิตออกจากขา เอาจิตมาตั้งอยู่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทีขึ้นทีขึ้นเมื่อกระแสจิตอยู่กับพุทธโธพุทธโธเกิดขึ้นในดวงจิตตนเองทําให้ความปวดขณะที่ปวดเนี่ย พอจิตเราไปอยู่กับพุทธโธ ท, ที่ขาเราปวดหลังเราปวดฟันเราปวดมันก็ดับไปที่ดับไปเกิดจากอะไรเพราะจิตเราไปอยู่กับพุทธโธพลังพุทธโธมากขึ้น ทำให้สกัดการตัวจิตอยู่กับพุทธโธนี่ถ้าใจยังไม่มั่นใจยังไม่สงบส่วนเวทนามันแรงเวทนาขันมันแรงความปวดมันแรงทางๆ ท, ที่เราหายใจเข้าหายใจออกเวลาปวดตรงไหนยึดตรงนั้นเป็นอารม นี่ถ้าเราดูความเป็นจริงแล้วเนี่ยความปวดนั้นเกิดทางกายแต่ตัวจิตแค่รับโลพอรับโลจิตแล้วก็มายึดเลยความยึดนั่นแหละเป็นตัวอุปาทานทำให้เราเกิดปัญญา ว่าความปวดติดแท้จริงเกิดทางกายแต่ตัวจิตแค่รับรู้อารมณ์เท่านั้นเองนี้จิตเราจะเกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาว่าส่วนกายส่วนหนึ่งส่วนอารมณ์นี้ส่วนหนึ่งนี้เราก็พยายามรวบรวมพลังสมาธิพลังพุทธโธให้มากขึ้นให้จิตเราอยู่กับพุทธโธ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทธที่เราหาอุบายอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตเราได้ มีสมาธิเพราะสมาธิแปลว่ารักษาใจมัน่นอันนี้ใจเราไม่มัน่นไม่ไม่มั่นและจิตเราเนี่ยไม่มีที่ตา่างอะไรเกิดกองไหนจิตก็ยึดกองนั้นเป็นอารมณ์นี้จิตเราก็ปร ะ, สะเสวยข้างนอก รับลู้ข้างนอกปรุงแต่งข้างนอกท่องเที่ยวข้างนอกที น, นี้ที่เราหาอุบายให้ใจเราบั่นมั่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งกระแสะจิตจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นงานที่เราหาอุบายพยายามดูใจไว้ใจยังคิดมากอยู่ ใจยังถูกปรุงแต่งอยู่ใจยังโคโจรรับรู้อารมณ์คิดนึกมากอยู่ก็โลไว้พลากใจมาตั้งไว้ที่ฐานลมเราต้องหาอุ บ, บายล่อใจตนเองฝึกให้เชื่องทำให้จิตเราจะได้คุ้นเคย มื่กระแสะใจแล้วไปคลุกคล้าวอารมณ์นั้นกระแสะอารมณ์เนี่ยเป็นฝุ่นละอองเหมือนบ้านเรากว่าทุกวันประตูหน้าต่างก็ปิดข้างในก็เปิดท้องแอแต่เหตุที่ไหนฝุ่นละอองเกิดขึ้นได้อย่างไรใจก็เหมือนกันคืออารมณ์ อารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์คิดอารมณ์นึกอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์พุง่งสร้างอารมณ์โศกะเศร้าโศกเสียใจกระแสอารมณ์เหล่าเนี้ไหลเข้ามาสู่ใจตลอด นี้ก็เกาะในใจสิเมื่อเกาะในใจแล้วเนี่ยทำให้ใจขุ่นมัวใจสศร้าหมองนี้เราเอาพุทธโธมาชำระเราสร้างพุทธโธมาชำระดวงจิตตอนเองถ้าเรากำหนดพุทธโธทุกขนะทุกขนะ ในทำให้จิตทุกวันหนึ่งก็สะอาดขึ้นมาสว่างขึ้นมาและสงบขึ้นมาจิตเราก็มีเครื่องโลนั่นก็แสจิตที่อยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธเนี่ยทำให้จิตเราจะเปลี่ยนอารมณ์ถ้าพุทธโธเกิดในจิตแล้วเนี่ย กระแสอารมณ์่าลดลงกระแสอะไรกระแสตัวปฏิฆะปุติขะคือความหงดหงิดใจคนเรานี้งดหงิดง่ายฉุนเชียวง่ายโกรธง่ายนี่ก็เรียกว่าตัวปฏิฆะ อารมณ์เหล่านี้แหละจะมาเกาะใจเผลอไม่ได้เพเผลอแล้วอารมณ์นี้ก็มาเกาแะแล้วอันนี้ถ้ากระแสจิตอยู่กับพุทธโธพุทธโธพุทธโธ ท, ทำให้กระแสจิตเราเกิดปัญญาเห็นปุนละองปลิวเข้ามาเราก็มีเครื่องป้องกัน เรื่องป้องกันคือภาวนาคือสกัดกันฉะนั้นองค์บริกรรมเนี่ยเป็นตัวสกัดกันกระแสจิตภาวนาอย่างหยาบภาวนาอย่างกลางภาวนาขั้นละเอียดภาวนาย่างหยาบก็หมายความว่ปฏิละประคอจิตหายใจเข้าโพธิ หายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทพอจิตรวมตัวจิตกะระพุโทโธอันนี้จิตก็มีเครื่องโลแล้ว โลดลอมเข้าโลดลอมออกโลดลอมเข้าโลดลอมออกเบากะระโลผ่วาว่างกะระโลผ่วาว่างหรือบางครั้งจิตเราเกิดความสว่างเกิดปฏิภาคในมิตรเกิดโอภาษ์กระแสจิตมันสว่างหรือเกิดอาสุภสัญญา เกิดอัธิกรรมฐานพอกระแสจิตรวมตัวเป็นเอกขาตาแล้วเนี่ยสภาวะธรรมเขาจะปรากฏเกิดขึ้นเองอ น, นี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นบาทรอนของจิตทำให้จิตมีภาวนาข้นละเอียดขึ้นเป็นอุปจาระภาวนา กระแสจิตมีเครื่องรู้เป็นทิศตังเอาสภาวะที่ปรากฏนั่นแหละเป็นฐานของจิตและจิตรู้รู้รู้เป็นอารมณ์ส่วนกายมีอะไรเกิดจิตก็โลเท่าฐานส่วนอารมณ์ทางใจมีอะไรเกิดจิตก็มีเครื่องโล น, นี้จิตเริ่มทันอารมณ์แล้วสติก็ดีขึ้นสมชัญญะก็ดีขึ้นสามมาสติสัมมาสมาธิก็คล่องตัวถ้าเราหาอุบายฝึกขัดอย่างนี้ทำให้จิตเราเท่าทันเท่าทันทางกาย เท่าทันทางกายคือหมายความมักกายเราขยับแม้นแต่มือกระดุกดิกขาดุกดิกหลับตาลืมตาความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตเรามีเครื่องโล ้าจิตเรามีเครื่องโลวอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวสติเราดีขึ้นมาองค์มรรคดีขึ้นแต่มาตติระลึกรโลวระลึกรู้วส่วนกายก็ชัดเจนขึ้นมานี้ส่วนอารมณ์ก็ชัดเจนนนี้ส่วนอารมณ์เป็นสภาวะนามธรรมเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อน จิตเรานี่ไม่เห็นอารมณ์ใจอารมณ์ใจเราเนี่ยมีคิดก็มีนึกก็มีปรุงแต่งก็มีง่วงเหงาหานอนก็มีฟุ้งซ่านก็มีเกียดคานก็มีหดโทก็มีอิจฉาก็มีริษยาก็มีเจ้าเล่ก็มีเจ้าก่นก็มี แต่จิตไมู่ลทำไมจิตเราไม่ร้ล่นะเพราะจิตเราไม่เป็นหนึ่งอันนี้ถ้าจิตเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธเป็นหนึ่งจิตละพุทธโธเกิดกระแสจิตเกิดอุปจารพวนา ทำให้กระแสจิตเห็นอารมณ์ตนเองเห็นตอนอารมณ์ตนเองหลายๆอารมณ์ที่ไหลเข้ามากระทบใจใจก็ไหลออกใจก็ไหลออกใจเราก็ไหลออกทั้งวันทั้งคืนเป็นเดือนเป็นปีหลายติบปี หลายหมื่นปีหลายแสนชาติปีจวเจ ต, ตสิกตัวปรุงแต่งอย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลานนี้ถ้าจิตเห็นอารมณ์แล้วอนจิตมันก็จะเกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาว่าสิ่งหลัานี้เป็นเครื่องเศร้าหมองใจ ทำให้จิตใจสร้าหมองอันนี้จิตตนเองก็จะหาอุบายแล้วหาอุบายให้จิตมาอยู่กับความสงบมากขึ้นและมีภาวนาขั้นละเอียดสกัดกั้นอารมณ์สกัดกันกดก้นอารมณ์ทาอารมณ์ที่ไหลเข้ามาสกัดกัน้นสกัดกัน้นนี้อารมณ์ก็น้อยลง เมื่อเราฝึกหัดนานขึ้นนานขั้นใจเราสงบมากขึ้นอารมณ์งดหงิดนี่จะเบานี่เป็นอัตโนมัติเลยงดหงิดจะเบาลงพงซ่านก็จะเบาลงน้อยใจก็จะเบาลงเสียใจก็จะเบาลงความแห้งเหือดใจก็จะเบาลง ความอิจฉาริสยาความเจ้าเล่กระแสสิ่งเหล่านี้เป็นบนทินของใจใ น, นใจเกิดปัญญาแดงหาวบายสกัดกันเมื่อกระแสสิ่งเหล่านี้ไม่ไหลเข้ามาใจก็จะเบาใจก็จะว่างขึ้น งั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าสันเลขอวลิยามพินาพร้อมทั้งความเพียรเพียร น, นี้เพื่อให้จิตเกิดปัญญาเห็นอารมณ์แล้วก็โลอารมณ์อารมณ์มีแต่ตัวโลไม่มีนั้นตัวโลเนี่ยเป็นตัวพุทธะเป็นตัวปัญญาที่พพุทธเจ้าฝากเอาไว้ นี่เราไม่มีปัญญาก็ถูกไยกิเลสนี่คลองใจนี่เราสังเกต ด, ดูใจดิใจเราก็ถูกไยเพลิงกิเลสนี่ครอบงำและเป็นตัวโมหะโมหะแปลว่าความมืดมืดในที่นี้คือใจมืด คนที่ใจมืดคือจิตไม่เกิดปัญญากระแสอารมณ์มันปิดบังนักษณะอารมณ์ปิดบังก็คิดนึกนะเราปล่อยจิตไปคิดไปนึกแล้วก็ไปปรุงแต่งอันนี้อารมณ์เราเนี้ยมันปิดบังี่ถ้ากระแสจิตอยู่กับลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธหายใจออก ทอหายใจเข้าโพธหายใจออกทอหายใจเข้าโพธหายใจออกทอนี้จิตเราไปอยู่กับพุทโทเนี่ยจิตเราไม่ไหลไปตามอารมณ์จิตก็จะมีเครื่องโลขึ้นมา นี่เขาเรียกว่าเครื่องลร้ของจิตนี้ทำให้จิตตนเองมีภาวนาสกัดกันนี้อารมณ์ก็จะน้อยลงไปนี้เป็นตัวผลแห่งการภาวนางั้นการภาวนานี่เป็นอุบายที่พระเจ้าสอนเอาไว้ว่า บุคคลใดมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสต่อคุณประตนไตรก็เอาดวงจิตอยูก่กับพุทธโธธรรมโมสังโขทำให้จิตเรามีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนี่ถ้าจิตเราไม่มีพุทธโธแล้วจิตลอยอยู่ที่ไหน <c oughs> จิตเราลอยไปตามโลก ตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพ์วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับโลภไปอยู่กับเสียงไปอยู่กับกลิ่นไปอยู่กับรสไปอยู่ ก, การสัมผัสไปอยู่กับธรร ม, มาลมอันนี้จิตเราล่องลอยอันนี้ถ้าเรามาภาวนาเ น, นี่ย จิตเราจะเกิดปัญญาแล้วจิตเราี้ล่องลอยไปตามอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยโทรกระแสะอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องชาบทานแล้วก็ปิดบงังฉะนั้นบายคำสอนของพุนะเจ้าเนี่ยจึงให้โอปัญิโกเอากายเป็นฐานของจิตเอาจิตมาตั้งไว้ และจิตเพ่งไปที่อายตนะภายในเอาจิตดูตาเอาจิตดโดหเอาจิตดูจมกูกเอาจิตดูลิ้นเอาจิตดูกายและเอาจิตดูใจเมื่อเราโอปัยญโกน้อมเข้ามาพอจิต เพ่งไปอยู่อายยตนะภายในอันนี้จิตเราจะมีความโลแล้วมีความโล้อย่างไรเพ่งไปดูตาเห็นตาเสื่อมไปแล้วเห็นตาเป็นโลกเห็นตาฟ้าฝางเห็นตาตนเองว่า น้ำตาไหลออกมาหรือน้ำตาแห้งหรือตาตนเองเสื่อมไปมากหรือตาตนเองเป็นโรคที่จิตเห็นตาจิตเห็นหูจิตเห็นจมกูกจิตเห็นลิ้นจิตเห็นกายจิตเห็นใจเนะี่ยนี่เห็นความจริง ความจริงในร่างกายที่ใช้ลเราใช้รูปกายเนี่ย <c oughs> นี่รูปกายเราใช้มากเป็นไงมันก็เสื่อมใช้ตาก็เสื่อมใช้หูก็เสื่อมใช้ลิ้นก็เสื่อมใช้จมูกก็เสื่อมใช้กายก็เสื่อมใช้ใจมันก็เสื่อมความเสื่อมนั่นมันเป็นอนิจัง ความไม่เที่ยนของโลภพอใช้มากขึ้นทำให้โลคาพระญาี่กระลบกวนพอลบกวนเป็นอะไรตกอยู่ในทุกขังคือความทุกข์ใ น, นความทุกข์ตัวนี้ทำให้จิตมัน ก, ก็ดิ้นหล่นเลยกลัวโลภอยู่ไม่ได้ ทำให้จิตตนเองกลัวสังขารจะอยู่ไม่ได้ในความทุกข์มันก็บีบครันมากขึ้นงานเราสังเกตดูคนเราพอสี่สิบห้าขึ้นไปเนี่ยร่างกายมีพยาธิพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วย เริ่มเกิดขึ้นมากระบบเซลวในร่างกายก็เริ่มเสื่อมมากโรคภยัยก็เจ็บก็เริ่มมาลุมลาวแ น, นนี้จิตก็เสวยทุกอย่างเดียว น, นี้เรามาพิจารณาดูทำให้จิตเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาวะของทุกหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกที่เกิดจากการแก่ทุกที่การเกิดจากการเจ็บทุกที่เกิดจากความตายเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกรีบเร่งกันไม่ได้นี้อุบายคำสอนของพทะเจ้าท่านให้จิตเรามีสมาธิยอมรับความเป็นจริงความเป็นจริงในร่างกายเนี่ย เราปฏิเสธอยู่ไม่ได้สัพเพสังขาราอนัตตาคือห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้จีบก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ห้ามไม่ได้นี้เรารักษาดวงจิตให้กระแสจิตเกิดปัญญาญาณเอาจิตไปอยู่กับพุทโธ ทมโมและก็สังโฆนี่เรายกจิตให้ให้เหนือนะให้เหนือเวทนาให้เหนือทุกนั้นกระแสของจิตถ้าเราสร้างอารมณ์ไมตกวิจารปิติสุขเอกรกตานี้เป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ธรรมที่พู้เจ้าหาอุ บ, บายให้มนุษย์ ฝึกหัดอบรมจิตใจให้จิตเราเข้ากระแสพระอรียมรักใได้งั้นกระแสพระอรียมรักตัวเนี้ยดับนิวรณ์ห้าแล้วประกอบองค์ห้าพอนิวรณ์ห้าดับจิตเราก็เข้าองค์ห้ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกาตา นี้เป็นอารมณ์ธรรมะแล้วหล่อเลี้ยงดวงจิตเรานี่ดวงจิตเราก็เป็นโอปาติกะอย่างเดียวโอปาติกะแปลว่าลอยเกิดถ้าเราหมดบุญแล้วเนี่ยหมดร่างกายจิตก็เป็นลอยเกิดอย่างในน้อยเทวโลกสมบัติพรหมโลกสมบัติ และโลกุตละธรรมนี้เป็นอุบายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รักษาดวงจิตหาที่เพึ่งทางใจฉะนั้นที่ญาติโยมสงบใจดูใจตนเองไว้ว่าขณะนี้ใจเราสงบหรือไม่สงบให้ดูใจตนเอง เมื่อดูใจตนเองว่าเราสงบใจวันนี้ใจเราเริ่มสงบขึ้นหรือใจไม่สงบใจยังคิดมากอยู่ใจยังง่วงอยู่ก็โลว์โว่าอารมณ์ง่วงลบกวนโลว่าอารมณ์ปวงซ่านลบกวนก็ให้โลวเมื่อรู้แล้วทาความรู้สึก น้อมจิตมาดูกายให้จิตเราเนี่ยดูกายวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็โลขยับไปครั้งสองครั้งก็โลให้จิตเราโลไว้แล้วก็น้อมจิตมาตั้งความรู้สึกเอาจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาเลื่อนมือขวาออก น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวายกขึ้นมาวางที่หน้าอกน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวโตมนึกถึงที่เราสองอบกายให้กายเป็นบุญเกิดขึ้น ที่เราสงบใจให้ใจเป็นบุญเกิดขึ้นอํานาจบุญกุศล น, น, นั้นเอขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมคําสอนของพระเจ้าอํานาจบุญกุศลที่เราสงบกายสงบใจให้เป็นบุญแปลไปให้บุพการีคือคุณบิดาคุณบัรดาคุลโปคุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ไหนมีทกก็ข่อยพ้นจากทกที่ไหนมีสุขข่อยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราสงบกายสงบใจสร้างอารมณ์บุญให้เกิดขึ้นแผ่ไปให้เจ้ากรรมในเวญที่เราเคยเป็นเวญเป็นกรรมทางกายเป็นเวญเป็นกรรมทางวาจาเป็นเวญเป็นกรรมทางใจขอให้เป็นอโหสิกรรมทั้งกันทั้กัน ที่ไหนมีทุกข์ก็ข้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มสิษะลงคลายออกจากสมาธิภนา